จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรรษัตอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่8ตัญยายนพุทธศักราช2553เป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันพระวันธรรมะสวัสดวันฝังธรรม เป็นวันประเสริฐเพราะคำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐนะเช่นเราเรียกพระภิกษุว่าพระเพราะเรายกย่องท่านว่าเป็นผู้ประเสริฐการประเสริฐนี้ไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือมีตำแหน่งใหญ่โต แต่ประเสริฐที่ความดีประเสริฐที่ใจที่มีความดีใจที่มีความเมตตาใจที่มีความกรลณาณใจที่มีมูลิตาและอุเบกขาเพราะใจที่มีเมตตากรลณาณมูลิตาอุเบกขาเนี่ เป็นใจที่ไม่มีโทษเป็นใจที่มีคุณใครที่ได้อยู่ใกล้ผู้ที่มีใจเมตตากรุณามุลิตาอุเบกขาจะอยู่ได้อย่างมีความสุขร่มเย็นมีความปลอดภัยเพราะรู้ว่าผู้ที่มี เมตตากรุณามุริตาโอเบคาจะไม่สร้างความเดือดร้อนจะไม่ทำให้ผู้ือ่นั้นต้องลำบากลาบนหรือทุกข์ทรมานใจเป็นผู้ที่จะคอยดูแลคอยช่วยเหลือในอยามที่ตกทุกข์ได้ยากและ เป็นผู้ที่จะคอยให้กำลังจิตกำลังใจในขณะที่จิตใจมีความตกต่ำจะเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนในทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่มีความเมตตาคารณามุนิตาอเบคาจึงเป็นผู้ที่น่ากราบไหวบูชา เป็นผู้ประเสริฐที่แท้จริงเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่มีจิตเมตตากรุณามุลิตาอุเบกขาอยู่เสมอมอยู่ตลอดเวลาและกับทุกสัตว์ทุกบุคคลจึงเป็นที่เคารพเรื่อมใส่ศรัทธาของสัตว โลกที่ได้มีโอกาสได้พบปะได้ได้สัมผัสได้สัมผั์ด้วยดังนั้นพวกเราก็สามารถที่จะเป็นผู้ประเสริฐได้เพราะเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขานี้เป็นคุณธรรมที่ทุกคนสามารถพัฒนาส่งเสริม ให้ปรากฏขึ้นมาอยู่ภายในใจของตนได้ไม่มีใครที่จะมาหักห้ามหรือป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีศรัทธาในเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขานี้ไม่ให้ได้เจริญ รู้สร้างให้ปรากฏขึ้นมาในใจอยู่ที่ความไม่มีศรัทธาของใจเท่านั้นถ้าใจไม่เชื่อว่าการมีความเมตตากรุณาุมิตาอุเบกขานี้จะทำให้ใจเป็นผู้ประเสริฐจะทำให้ใจเป็นผู้ที่มีผู้เคารพนับถือศรัทธาเรือมใส ถ้าเราไม่มีศรัทธาก็จะไม่คิดที่จะเจริญความเมตตากรุณามมริตาอุเบกขาแต่ถ้ามีศรัทธาก็จะมีความวิริยะคือความภาคเพียรที่จะพยายามสร้างความเมตตากรุณามุริตาอุเบกขาให้เจริญขึ้นภายในใจ เมื่อได้มีความเจริญในคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วใจก็จะมีความสุขใจก็จะมีความร่มเย็นใจก็จะมีความปลอดภัยเพราะคุณธรรมทั้งสี่นี้จะปกป้องดูแลรักษาใจไม่ให้ทุกข์ทรมารไม่ให้มีภัยต่าง เข้ามาเหยียบย่าทำลายได้เหตุที่พวกเรานั้นมีความทุกข์ทรมานใจวุ่นวายใจกันก็เพราะว่าเราขาดคุณธรรมทั้งสี่คือเรามีบ้างในบางเวลาแต่ยังไม่มีอย่างตลอดเวลาเวลาใดที่เราไม่มีคุณธรรมเราก็จะไปพูดไปทำในสิ่ง ที่เกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วความเสียหายนั้นก็จะย้อนเข้ากลับมาเหยียบย่ำทำลายใจของเราเช่นเวลาที่เราเกิดความโกรธเราถ้าไม่มีความเมตตาเราจะไม่สามารถระงับความโกรธได้เมื่อเราไม่สามารถระงับความโกรธได้เราก็ต้องไปพูดไปทำในสิ่งที่ ไม่ดีทำร้ายผู้อื่นเมื่อทำร้ายผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็จะต้องกลับมาทำร้ายเราเราก็ต้องคอยหลบหลบซ่อนซอน่คอยหวาดระแวงคอยมีแต่ความวิตกกังวลนี่เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นภายในใจของเราได้ ปล่อยให้ความโกรธนี้ออกมาทางวาจาและทางกายแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเมื่อเราผู้อื่นเดือดร้อนเขาก็จะย้อนกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราอย่างในพุทธบาลสิกที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกงั้นย่อมถึงตน ถ้าไม่ให้ทุกข์แก่ผู้อื่นทุกข์นั้นก็จะไม่กลับมาหาผู้ที่ให้ความทุกข์นั้นดังนั้นเราจึงต้องควรที่จะเลิศเมตตาเพราะว่าเมตตานี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะดับความโกรธได้บทเมตตาที่เราสวดกันนี้ก็มีอยู่ ดังนี้คือสัพเทสตาอเวราหงตุแปลว่าไม่มีเวรกันสัพเทสตตาอปยาปชาหงตุแปลว่าไม่เบียดเบียนกันสัพเทสตาอานีคาหงตุคือไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น สัเพสัตสตาสุขีอัตานังปะริหารันตุคือให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่คือคุณสมบัติของความเมตตาและคาว่าสัเพก็หมายถึงว่าสัตว์ทุกๆสัตว์ทั้งหลายไม่ยกเว้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดราาัจฉานเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นญาติสนิทมิตรสหาย หรือเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักหรือเป็นศัตรูไม่ยกเว้นที่ความเมตตาจะต้องเผยแผ่ให้กับทุกสัตว์ทุกบุคคลถ้าเราสามารถที่จะเผยแผ่ความรู้สึกที่ดีนี้ให้แก่ผู้อื่นได้ผู้อื่นเมื่อเขาได้รับสิ่งที่ดี เขาก็อยากที่จะตอบแทนเราด้วยสิ่งที่ดีเราก็จะมีมิตรมีเพื่อนเราก็จะอยู่อย่างปลอดภัยเพราะในอนิสงส์ของของความที่ความเมตตานั้นก็มีหลายประการด้วยกัน <c oughs> เช่นท่านตัดไว้ว่าเวลาตื่นหรือเวลาหลับก็จะมีความสุข เวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่ได้จะไม่ตายด้วยการถูกผู้อื่นฆ่าด้วยอาวุธก็ดีด้วยยาพิษก็ดีเพราะความเมตตานี้จะไปสร้างความประทับใจสร้างความเมตตาให้แก่ผู้อื่นนั่นเอง ไม่ใช่ความโกรธหรือความจองเวรความจองเวรหรือความโกรดนี้จะไปสร้างความโกรธและความสร้างความจองเวรให้แก่ผู้อื่นสังเกตดูเวลาเราโกรธใครนี่คนที่เขาถูกเราโกรธเขาก็จะโกรธกับเราถ้าเราจองเวรเขาก็จะจองเวรเราแต่ถ้าเราให้อภัยเขาเขาก็จะให้อภัยเรา เพราะว่านี่คือหลักกา ร, รทำอะไรก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาทำดีก็จะได้ความดีกลับมาทำความชั่วก็จะได้ความชั่วกลับมาสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นก็จะได้ความทุกข์กลับมาสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นก็จะได้ความสุขกลับมาดังนั้นเราจึงควรที่จะแผ่เมตตา ในสี่ลักษณะนี้เสมอและต้องแผ่ในขณะที่เราเจอกับคนเจอกับบุคคลต่างๆหรือสัตว์ต่างๆไม่ใช่แผ่ตอนที่เราอยู่คนเดียว mm hmm. เช่นเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาด้วยการสวดสัพเพสัตตาอเวราหุ่ตุก การแผ่แบบนี้นั้นท่านเรียกว่าเป็นการฝึกซ้อมใจเป็นการสอนใจเป็นเหมือนทำการบ้านยังไม่ได้เข้าห้องสอบเวลาที่จะแผ่จริงๆนั้นต้องแผ่ในขณะที่เราพบปะกับบุคคลต่างๆเช่นเวลาเราเจอใครเราก็ส่งความสุขให้ต่อกันด้วยการทักทายสวัสดียิ้มแย้มแจ่มใส นีเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์ในขณะที่เราพบปะกับบุคคลต่างๆถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาจริงๆเช่นเราเจอใครเราก็ควรที่จะยิ้มแย้มทักทายมีอัธยาศัยมีไมตรีจิตอย่าหน้าบึ้งหน้างอถึงแม่เราจะมีอารมณ์ไม่ดี เราก็ต้องพยายามระงับอารมณ์ถ้าเราไม่สามารถที่จะยิ้มแย้มแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นได้เราก็ควรที่จะหลบอย่าเพิ่งไปพบปะกับใครไว้รอให้ใจเราดีก่อนใจเราสบายก่อนแล้วรอค่อยพบปากับคนหรือในขณะที่เรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็ต้องระมัดระวังถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปพูด หรืออย่าไปทำอะไรเพราะขณะที่อารมณ์ไม่ดีนั้นจะพูดไม่ดีจะทำไม่ดีไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาต้องถ้าเกิดความโกรธก็ต้องให้อภัยให้ได้การให้อภัยก็คือการไม่ถือโทษโกรธเคืองขอให้คิดว่าสิ่งที่เขาพูดหรือทำไปนั้นมันก็ผ่านไปแล้ว ถ้าเราทำใจเฉยๆมันก็ไม่เกิดความเสียหายตามมาแต่ถ้าเราปล่อยความโกรธออกไปพูดอะไรไปทําอะไรไปก็จะเกิดความเสียหายตามมาเป็นความเสียหายสองชั้นคือสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำนั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วมันเสียหายไปแล้ว แต่เราเราไม่สามารถที่จะไปลบล้างมันให้มันกลับคืนไปเหมือนกับตอนที่เขายังไม่ได้พูดไม่ทำไม่ได้ทาได้อยู่แต่อย่างน้อยเราสามารถที่จะรักษาใจของเราให้เป็นปกติไม่ให้โกรธได้ถ้าเราไม่ถือโทษโกรธเคืองเราอาจจะมองเขาว่าเขาเป็นเหมือนเด็กก็ได้ พอเด็กนั้นจะมักจะไม่รู้ผิดถูกดีชั่วเวลาเด็กทําอะไรที่เกิดความเสียหายขึ้นมาเรามักจะไม่ถือโทษโกรธเคืองเด็กเราให้อภัยเด็กได้เช่นลูกของเราเวลาทําอะไรเสียหายเราก็ไม่โกรธเขาเพราะเรารู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องนั่นเองเช่นเดียวกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่พูดอะไรไม่ดีหรือทำอะไรไม่ดี เขาก็ไม่รู้เรื่องของความดีความชั่วเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจของเขาก็ยังเป็นเหมือนเด็กอยู่ถ้าเราจมองเขาว่าเป็นเด็กเราอย่าไปถือสาเขาเราก็จะไม่เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาเราก็จะไม่จองเวรเราก็จะไม่ไปพูดหรือ ทำอะไรที่เกิดความเสียหายตามมาได้แล้วทุกอย่างมันก็ผ่านไปเรียบร้อยสงบต่างคนก็ต่างอยู่กันต่อไปได้แต่ถ้าเราปล่อยความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่ภายในใจออกมาก็จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกไม่ดีกับเราและก็เกิดจะและอาจจะเกิดการทำร้ายกันได้ แล้วก็จะทำให้ต้องเจ็บตัวด้วยกันทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลยเขาก็ไม่อยากจะเจ็บตัวเราก็ไม่อยากจะเจ็บตัวแต่เพราะเราขาดความเมตตาทำให้เราไม่สามารถที่จะยับยั้งความโกรธความอาฆาตพยาบาทได้เราจึงควรที่จะมองที่ใจของเรา เวลาที่เราเกิดความโกรธอย่าไปมองคนที่ทำให้เราโกรธเพราะจะทำให้เรายิ่งเกิดความโกรธมากขึ้นเราต้องพยายามหันเข้ามามองที่ใจของเราดูว่าใจของเราเป็นอย่างไรสงบเย็นหรือกำลังวุ่นวายกำลังรุ่มร้อนถ้ารุ่มร้อนเราก็ต้องพยายามระงับมันระงับด้วยการแผ่เมตตา ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองหรือจะให้คิดว่าเป็นการใช้กรรมของเราก็ได้คิดว่าเราคงไปทํากรรมไม่ดีเอาไว้ไปทําให้เขาไม่เพราะไม่ชอบเราทําให้เขาต้องมาทําและพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเรายอมรับว่าเป็นกรรมของเราเราก็จะ ไม่ถือโทษโกรธเคืองเขาถือว่าเป็นการใช้นี่ก็แล้วกันหรือจะมองอีกลักษณะหนึ่งก็ให้มองว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทํานั้นยังไม่เลวร้วายกว่าสิ่งที่เขาอาจจะทําได้เช่นถ้าเขาไม่ยิ้มให้กับเราเราก็คิดว่าดีแล้วที่เขาไม่แยกเี้ยวให้กับเรา ถ้าเขาแยกเคี่ยวให้กับเราก็ให้คิดว่าดีแล้วที่เขาไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่ายังดีที่เขาไม่ทุบตีเราถ้าเขาทุบตีเราก็ขอให้คิดว่ายังดีที่เขาไม่ได้ฆ่าเราแล้วถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา atmosphere. ทุกคนเกิดมาแล้ว ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจของเราจะไม่รุ่มร้อนใจของเราจะไม่อาฆาตพยาบาทจะไม่โกรธใจเย็นจะมีความสุดท่ามการความที่เสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่แทนที่เราจะเสียใจใจกับรู้สึกสบายสบายไม่เดือดร้อนอะไร เพราใจเข้าใจชีวิตเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกที่จะต้องมีการสูญเสียมีความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นกับเราไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะนิโลกนี้เป็นอย่างนี้โลกนี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งสรรเสริญมีทั้งหนิงทา เป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าเรามองอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะสามารถรักษาความเมตตาเอาไว้ได้นี่คือเรื่องของความเมตตาที่พวกเราควรที่จะฝึกเจริญกันอยู่เรื่อยๆในขณะที่เราไม่พบปะใครก็ซ้อมไปก่อนลองสมมุติจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดเขาด่าเรา หรือเขาพูดอะไรที่ทําให้เราไม่ชอบอกชอบใจเราจะรู้สึกอย่างไรเราทําใจให้นิ่งให้เฉยให้ปล่อยวางได้หรือเปล่าลองซ้อมดูเราไม่ชอบคาําด่าคําไหนเราก็ลองดา่าเราดูทําไมเราด่าตัวเราเองไม่เดือดร้อนทําไมคนอื่นเขาด่าเราเราเดือดร้อน ท, ทั้งทั้งที่ก็เป็นคําพูดเหมือนกันคําเดียวกันเราดา่าเรากลับไม่เดือดร้อน แต่เขาดา่าเขากับเรากลับเดือดร้อนอย่างนี้เราฉลาดหรือเราโง่กันแน่คำพูดคำเดียวกันเราด่าตัวเราสิบครั้งร้อยครั้งเราไม่รู้สึกอะไรแต่คนอื่นเขาดา่าเราเพียงคำเดียวเราเราปวดร้าวไปถึงขั้วหัวใจนั่นก็เป็นเพราะเรามีความหลงเรามีความหลงว่าเราดีนั่นเอง คนเราส่วนใหญ่นี่มักจะคิดว่าตัวเองดีเสมอเวลาที่ใครว่าเราไม่ดีเราก็จะโกรธหรือเราจะเสียใจขึ้นมาทันทีแต่นี่มันเป็นความหลงเพราะเราทุกคนก็รู้อยู่ว่าไม่มีใครดีไปทุกอย่างพวกเราทุกคนนั้นยังไม่ดีพอถ้าดีพอพวกเราไม่ต้องมาอยู่อย่างนี้กัน ไม่ต้องมาเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญให้ฐานกันพวกเราต้องไม่กลับมาเกิดถ้าดีจริงๆเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านดีจริงๆท่านถึงไม่ต้องกลับมาใช้เวรใช้ชชชกรรมเหมือนพวกเราพวกเรานี้ยังไม่ดีพอเพราะพวกเรายังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงต่างๆอยู่นั่นเอง ความหลงที่คิดว่าเราดีดีกว่าเขาเก่งกว่าเขานี่ก็คือเป็นความหลงเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้ที่มีคนที่ดีกว่าเราก็มีเก่งกว่าเราก็มีดีเท่าเราก็มีเก่งเท่าเราก็มีหรือคนที่ด้อยกว่าเราก็มีเราจึงไม่ควรถือตัวว่าเราดีเสมอไปเราเก่งเสมอไป อาจจะมีคนที่เขาดีกว่าเราเก่งกว่าเราก็ได้ดังนั้นเวลาที่เราเจอคนที่เขาเก่งกว่าดีกว่าเขาว่ากล่าวตักเตือนเราเราจรึงไม่ควรที่จะไปโกรธเรากลับควรที่จะขอบคุณเขาเพราะเราจะได้แก้ไขตัวของเราเอง <c oughs> ให้ดีขึ้นนั่นเองเพราะโดยธรรมชาติของคนเรา เรามักจะไม่ชอบมองความผิดของเราในพุทธภาษิตก็ได้แสดงไว้แล้วว่าความผิดของตนนี้แม้เท่าภูเขาก็เห็นเท่าเป็นเป็นกองเป็นทุลีเป็นผงทุลีความผิดของผู้อื่นแม้จะเป็นเพียงทุลีก็จะเห็นใหญ่เท่ากองภูเขาส่วนความดีของตนแม้จะมีเพียงเท่าทุลีผงทุลี ก็จะเห็นเท่ากับกองภูเขาส่วนความดีของผู้แม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็จะเห็นเท่ากับกองทุลีเช่นพ่อแม่ของเรานี้เป็นต้นพ่อแม่ของเรานี้มีความดีต่อเรามากมีความดีเท่ากับกองภูเขาแต่เรากลับไม่ค่อยได้ให้มองเห็นพ่อแม่ว่ามีมีความดีกับเรามาก แต่เรากลับไปเห็นความดีกับสามีกับภรรยาของเราเสียมากกว่าซึ่งความจริงบุญคุณของเขาที่เขามีกับเรานี้มีไม่มากเท่ากับบุญคุณของพ่อของแม่แต่เนื่องจากความหลงความโลภความอยากมันเลยทําให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกับตาเรปะเห็นคนที่มีบุญคุณกับเรานั้นไม่มีบุญคุณ คนที่เขาไม่มีบุญคุณกับเราเรากับเห็นว่าเขามีบุญคุณกับเราชีวิตของเราจึงนักจะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจาเพราะเราชอบไปอยู่กับคนที่เขาไม่มีบุญมีคุณกับเราคนที่เขาจะสร้างความทุกข์ให้กับเราแต่คนที่เขาคอยดูแลเลี้ยงดูเราคนที่มีความเมตตา ก, กับเรา เรากลับอยู่หามไกลาจากขางเพราะความหลงทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองแต่ถ้าใจของเรานี้ไม่มีความหลงเราก็จะมองไปตามเนื้อผ้ามองไปตามความจริงจะมีใครมีบุญคุณกับเรามากยิ่งกว่าพ่อแม่ของเราชีวิตของเราทั้งหมดนี้เป็นหนี้ของพ่อของแม่เพราะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ เราจะมีร่างกายนี้ได้อย่างไรเราจะมีชีวิตนี้ได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในวันนี้เรามีได้เพราะว่าเรามีพ่อมีแม่ให้กำเนิดแก่เรามานั่นเองแต่ถ้าเรามีความหลงเราจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เรากลับจะคิดถึงแต่สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้ มีคุณค่ามากมีคุณประโยชน์มากแต่เราหารู้ไหมว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นรู้ว่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราต้องเสียอกเสียใจเศร้าโสกเสียใจต่อไปเพราะสิ่งที่เราได้มานั้นมันไม่เที่ยงนั่นเองมันไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งมันก็จะจากไปหรือเปลี่ยนไปเวลาที่จากไปหรือเปลี่ยนไป ก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจเช่นเราได้สามีไม่ได้ภรรยามาเวลาที่เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนนิ ส, สัยไปจากการเป็นคนดีเป็นคนที่เอาอดเอาใจเรากลายเป็นคนไม่ดีคนที่คอยทุบตีเราเราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจหรือถ้าเขาเป็นคนดีแล้วถ้าเวลาที่เขาจากเราไป เราก็จะต้องเศร้าสศกเสียใจยนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญานั่นเองใจของเรานี่ส่วนใหญ่จะใช้อารมณ์เป็นหลักถ้าเห็นอะไรเราชอบเราก็จะว่าดีเห็นอะไรเราไม่ชอบเราก็จะว่าไม่ดีใครที่พูดอะไรที่ทำให้เราชอบใจเราก็ว่าเขาดีใครที่พูดอะไรแล้วเราไม่พอใจ เราก็ว่าเขาไม่ดีโดยที่เราไม่ดูไม่ฟังว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นอย่างไรพูดจริงหรือไม่จริงเป็นคุณหรือเป็นโทษกับเราถ้าเขาพูดสิ่งที่จริงแล้วก็เป็นคุณกับเราเช่นเขาพูดว่าเราทําอะไรผิดอย่างนี้เป็นการบอกสิ่งที่ดีกับเราเพราะเราอาจจะไม่รู้ว่าเราทําความผิด ถ้าไม่มีใครบอกเราก็จะทำความผิดไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดความเสียหายตามมาแต่ถ้ามีคนบอกว่าการกระทำนี้ไม่ถูกไม่ควรไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณก็เป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราแล้วถ้าเราสามารถทำตามที่เขาบอกได้ เราก็จะไม่ไปทําผิดไม่ไปทําสิ่งที่จะเกิดโทษกับเราต่อไปนี่คือเรื่องของการมีสติมีปัญญามีเหตุปีผลเวลาเราทําอะไรเราควรมองที่เหตุที่ผลเป็นหลักอย่าไปใช้อารมณ์อย่าไปฟังหรือไป ไปตอบโต้ไปตอบรับกับสิ่งที่เขาพูดเขาทำแล้วเราไม่พอใจขอให้เราใช้เหตุผลเพราะเราจะสามารถระงับดับอารมณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นภายในใจของเราได้แล้วเราก็จะได้ไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีที่เสียหายต่อไปนี่คือการฝึกใจให้มีเหตุดีผลเพื่อที่จะสามารถรักษาใจ ให้มีความเมตตาไม่ให้ไปพูดไม่ให้ไปทำสิ่งที่เสียหายต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ความเมตตาจึงเป็นคุณธรรมที่เราควรที่จ ะ, จะเจริญอยู่เรื่อยๆต้องคอยดูใจเราอยู่เรื่อยๆว่าใจของเรานี้โกรธหรือไม่โกรธ ถ, ถ้าโกรธนี้เราต้องใช้ความเมตตามาะระงับ คือต้องให้อภัยต้องคิดว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันที่ต้องมาใช้กรรมใช้เวรถ้าเรายอมรับอย่างนี้ใจของเราก็จะสงบตัวลงได้ใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาปล่อยวางได้ไม่ตอบโต้ได้หรือถ้าใจของเรามีความรู้สึกไม่ดีกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่สามารถเป็นปตามทาที่เราต้องการได้เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักทำใจเรียกว่าทำใจให้เป็นอุบเบกขายอมรับความจริง <c oughs> เช่นเวลาที่เราสูญเสียอะไรไปเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดามีได้มีเสียเป็นธรรมดา ไม่มีใครที่จะไม่มีไม่ไม่มีการสูญเสียเพราะเวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่าเปล่าแล้วเวลาเราไปเราก็จะไปตัวเปล่าเปล่าเราไม่ได้อะไรติดตัวเราไปแม้แต่ร่างกายของเราเราก็เอาไปไม่ได้ร่างกายของเราเราก็บังคับไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ตายไม่ได้ แต่เราสามารถบังคับใจของเราไม่ให้ทุก์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเรายอมรับความจริงใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาได้ปล่อยวางได้หรือเราจะทำจิตให้สงบก็ได้ในขณะที่ใจของเราไม่เป็นอุเบกขากำลังว่าวุ่นขุ่นบัวก็ขอให้เราละลึกถึงคาละลึกถึงพระพุทธเจ้า บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจไม่ช้าก็เ็วใจของเราก็จะมีความสงบใจของเราก็จะปล่อยวางเป็นอุเบกขาได้นี่คือการดูแลรักษาใจของเราด้วยคุณธรรมเช่นเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขา ใจของเรามีกุณลธรรมทั้งสี่ประการนี้ใจของเราจะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างเป็นสุขจะมีมากหรือจะมีน้อยไม่สำคัญจะได้มากหรือจะเสียมากไม่สำคัญเพราะใจของเรานี่ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้มีความสุขได้เพียงแต่ความหลงที่หลอกให้ใจเราคิดว่าเราต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ มีบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เราถึงจะมีความสุขแต่พระพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าการไม่มีอะไรนั้นก็อย่อยางมีความสุขได้และมีความสุขมากกว่าเสียอีกเพราะไม่มีความทุกข์เลยถ้าเรามีอะไรไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องมีความทุกข์กับสิ่งที่เรามีแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์กับสิ่งที่เรามี เพราะเราไม่มีอะไรนั่นเองเรามีแต่คุณธรรมทั้งสประการอยู่ภายในใจนี้ก็พอแล้วจึงขอให้พวกเราพยายามมาสร้างคุณธรรมนิทั้งสี่คือเมตตาก ร, รุณาคือความสงสารมุติตาคือความมีความยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นและอุเบกขาคือการท ำ, ทำใจให้ปล่อยวาง ทำใจให้รับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ได้รับรองได้ว่าใจของเราจะมีความสุขไม่ว่าจะแก่จะเจ็บหรือจะตายไม่ว่าจะได้หรือจะเสียจะไม่ทำใจให้ของเรานั้นต้องว้าวุ่นขุ่นหัวเลยจึงขอฝากเรื่องของการมาดูแลรักษาใจให้ดีให้มีความสงบให้มีความสุข ด้วยการเจริญเมตตาการนามุดิตาและอุเบกขานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีาราชาตรัย